ในธรรมะ60ที่ได้กล่าวเมื่อวานเนี่ยน ะ, ะความจริงแล้วผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องปัจจัยอะไรเนี่ยนะถ้าเอาธรรมะทั้ง60สคือปีรูปสารูปเหล่านี้ไปเพ่งอย่างเพียงพอจริงๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยและปัจจยุบันอยู่ในตัวอยู่แล้ว เ, นะเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลอยู่ในตัวซึ่งถ้าเอามาพิจารณาบ่อย อย่างที่ทบทวนนะว่าในห0สนี่อะไรบ้าง น, นะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นอายตนะภายในหอายตนะภายนอกหนั่นนะวิญญาณหภาษะหนั่นนะเวทนาหสัญญาห เ, เจตนาหตัณหาห วิตกหวิจาร6น่หทั้งห0สิบนี้ถ้าพิจารณาจริงๆเนี่ยเอามาใคร่ครวเนี่ยมีทั้งปัจจัยและปัจจัยบันั่นะซึ่งสามารถแปรรูปได้ตั้งหลายอย่างน่คือ อย่างที่เราคุ้นเคยถ้ามองโดยปฏิจจสมุปบาทนั้นช่อนข้างจะเห็นชัดเลยนะในในฐานะเป็นปัจจัยกับปัจจยุปันอย่างอย่างจักสุกับโรปเกิดอะไรอันนี้จากโขวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันก็เรียกว่าผัสสะ ภาษาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาภาษานั้นเป็นปัจจัยแก่สัญญาด้วยเป็นปัจจัยแก่ทั้งเวทนาเป็นปัจจัยแก่ทั้งสัญญาตัวเวทนาเนี่ยนะสมมุติถ้าเวทนาเนี่ยดูได้จาก ถ้ารูปเป็นอิทธารมเวทนาก็จะเป็นโสมนัสเวทนาหรือสุขเวทนาเนี่ยนะอิทธะคือหน้าปรารถนาถ้าอารมณ์นั้นเป็นอนิฐาออนิถะเนี่ยนะคือไม่น่าปราถนาอันนั้นก็เป็นโทมนัสเวทนาถ้าอารมณ์นั้นปานกลางมัชชตารมเนี่ย เวทนาก็เป็นอุเบกขาเวทนาผลทั้งเวทนาเหล่านี้จะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นโสมนัสก็ตามจะเป็นโทมนัสก็ตามผลก็คือตัณหาจ ะ, จะมาจากเวทนาใดเป็นปัจจัยก็ตามผลที่สุดก็คือตัณหาสัญญาก็เป็นปัจจัยที่สําคัญของตัณหามานะทิฏฐิ พันถ้าพูดตันหาที่ใดนะมานะกับทิฐิเท่ากับพูดแล้วเนี่ยนะเพราะว่าทำเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีสัญญาเป็นต้นเหตุเนี่ยนะนะเพราะสัญญาเนะี่ยเพราะสัญญาตัวนี้มันแบ่งประเภทเป็นกามสัญญาพยาบาทสัญญาและวิหิงสาสัญญา <c oughs> มันก็เท่ากับเนี่ยตันหามานะก็เข้ามาแล้ว ทีนี้ทั้งตัณหามานะทิฐิเหล่านี้อย่างไรก็ไม่พ้นอะไรกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมซึ่งกรรมก็คือตัวเจตนาันตัวตัณหาเป็นตัดใจแก่แก่กรรมทีนี้เมื่อบุคคลทำกรรมเนี่ย โดยทั่วไปกรรมก็เป็นเวลาคิดถึงก็คิดถึงคิดถึงกรรมมันะนะพันก็จะต่อด้วยอะไนระวิตกกับวิจาร์ทีนี้ลำพังไอตัววิตกวิจารเนี่ยยกมาเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่จะกล่าวแม้กระทั่งะนะคำว่าวิตกวิจารเนี่ยเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงอกุศลสิบสอง มหากุศลแปดอ น, นแล้วก็รูปาวจรกุศลอีกหนึ่งคือปฐมฌานเนี่ยนะก็ทีนี้ถ้ากล่าวปฐมฌานอนทุติยฌานเป็นต้นก็เท่ากับแสดงละซึ่งกรรมที่จะนำเกิดเนี่ยนะตัวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่นำเกิดในภพใหมนะนะ่นั้น่ะ ะจะเกิดในภพใดจะดีจะชั่วอยู่ที่วิตกเพระวิตตกนี่เป็นมรรคเป็นมรรคขปใ จ, จเป็นมรรคขปั จ, จที่จะทำให้มีอะไรอีกเป็นมรรคที่ทำให้มีนะตาตามเดิมนั่นแหละ ว, วิตกเป็นมรรคกรรมเนี่ยเป็นนานักขัตขิกกรรมมรรคปจจใจเห็นไหมตัณหาเป็น อุปนิสัยปัจจัย ถ, ถ้าเราใคร่ครวญดีๆเนี่ยนะธรรมะ60 น, นนะ่เป็นทั้งปัจจัยและปัจจยบันเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวผู้ที่ศึกษาพระธรรมกลุ่มนี้แล้วก็เพ่งอย่างดีเนี่ยนะถึงไม่ได้เรียนปัจจัยมาก็เพียงพอแล้วที่จะพ้นทุกข์นะถึงอย่างสมมติว่าพระพิสุต ท, ที่อยู่ในพระสูตรพระพิสุต ท, ที่บวชมาพรรษาแรก สมัยที่พระองค์ยังไม่แสดงคำภีรอภิธรรมเลยเนี่ยนะถามว่าท่านรู้ปัจจัยไหมท่านก็รู้เพราะว่าจากธรรมะห0สิเนี่ยนะธรรมะหกสิบที่เป็นปีรูปสารูปนั้นบางอย่างก็เป็นเหตุและบางอย่างก็เป็นเหตุบางอย่างก็เป็นเป็นผลซึ่งเหตุผลเหล่านี้เนี่ยตามปกติพวกนี้มาจากอะไรเมื่อวานเราบอกว่ า, วา อายตนะหเนี่ยมาจากอะไรก็มาจากขยายขันห้านั่นเองขันห้าเนี่ยเอามาขยายก็เป็นปิยรูปสารูปนะถ้าเอาปิยรูปสารูปมามองก็จะเป็นอะไรปฏิจจสมุปบาทนั่นเองท่านในขันห้าขยายมาเป็นปิยรูปสารูปเชื่อมไปต่อหาปฏิจจสมุปบาทนั้นกรรมวัดกับวิปากวัดกับกรรมวัดก็จะมองมองเห็น อันถ้ามองเห็นอย่างถ้ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องตันหาก็เข้าใจชัดในสมุทัยสัตว์ในน น, นทีนี้ในขณะเดียวกันพวกนี้ก็เป็นอารมณ์ของสมุทยัยเป็นอารมณ์ของความเพลิดเพลินนีนะทุกอันก็เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินนั้นความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดในในพบใหม่นีนะ มันท่าถ้าไปพิจารณาให้ดีนั้นจะเห็นขันขยายไปเป็นธรรมะหกสิบนะเชื่อมปฏิจจัสมุบบาทซึ่งทั้งอันเนี้ยเอาตัวนี้เป็นหลักอายตนะภายในเป็นเป็นหลักเนี่ยนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมองปฏิจจสมุปบาททั้งหกทวารนั่นนะปฏิจจสมุปบาทสายทวารตาน่นะซึ่งพระองค์แสดง แสดงทั้งหลายวิธีด้วยกันวิธีแสดงปฏิจจสมุปบาททวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจเลยก็มีหรือแสดงแบบรวดเดียวไปเลยนรวดเดียวไปเลยว่าเช่นอายตนะภายในกับเพราะสลายอายตนะทำให้เกิดภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเป็นต้นนี่ย พันธธรรมเหล่านี้ก็บางทีก็แสดงรวบบางทีก็แสดงแยกซึ่งเราก็เอาสามารถเอามาพิจารณาในในชีวิตที่เป็นจริงของเราถ้าน้ำพื้นฐานมีความเข้าใจเรื่องเจตนา6ดีเนี่ยนะความรู้ในเรื่องกรร ม, มสกตาก็ก็ดีแล้วถือว่ามีความรู้เรื่องกรร ม, มสกตาอย่างดีเลยแหละนนะถ้ามีความเข้าใจเรื่องเวทนาดี ตัญหาจะไปไหน <c oughs> แล้วก็จะมองเห็นทั้งกรรมวัดวิปากวัดด้วยใช่ไหมตัวกรรมวัดคือตัวเจตนาเนี่ยนะตัวกรรมเป็นกรรมวัดเนี่ยนะตัวเจตนาเป็นกรรมวัอายตนะภายใน6อายตนะภายนอกหบางส่วนวิญญาณ6กภาษาหเวทนา6โดยมากแสดงเป็น วิปากวัฏเนี่ยนะตันหาที่เข้าไปเพลิดเพลินเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นกิเลสวัฏ ส, ส่วนวิตกกับวิจารณ์เนี่ยเป็นบริขารของกรรมเอาอเป็นบริขารของกิเลสวัฏเนี่ยนะกว่าเป็นบริวารเป็นอาหารอย่างดีที่ส่งเสริมไอ้กิเลสวัฏ <c oughs> นั่นก็ ถ้ามีการเอาไปทําปริญญาบ่อยๆในทวารทั้งหก็จะเห็นทั้งโดยปัจจัยและโดยปัจจัยบันนั้นถ้ารวมๆแล้วเนี่ยถึงไม่กว้างขวางในเรื่องปัจจัยมากนะักแค่นี้ก็เพียงพอจริงๆที่จะที่จะเบื่อหน่ายนะที่ที่จะเบื่อหนายถ้าถ้าไม่ไม่ไปคิดจะไปเป็นคนชี้แจงเป็นคนอธิบายอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มปฏิสัมทิธาอีกนะฟังแค่นี้เนี่ยเขาก็เป็น เขาสามารถไปเพ่งต่อได้ทันทีเหมือนกับว่าคนที่จะเดินทางเนี่ยนะคนที่จะเป็นคนเดินทางไกลเนี่ยถ้าเป็นนักเดินทางจริงๆใช่ไหมอาจจะบอกถนนเข้าแค่เส้นสายเล็กเอ่อเส้นสายใหญ่ๆแค่ไม่กี่สายถ้าเขาเดินไปเองเนี่ยนะเขาจะเห็นเป็นถนนแยกไปตามหมู่บ้านต่างๆไปตามซอยต่างๆเลยนะพูดแต่ถนนหลักๆก็พอ ชั้นใดก็ดีผู้ที่พิจารณาธรรมะพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะถ้ามีความรู้ในธรรมะทั้งเนี่ยนะถ้าแบ่งเป็นอายตนะภายในหอายตนะภายนอก6วิญญาณหภาษา6เวทนา6สัญญาหกเจตนา6ตัณหาหวิตก6วิจารห6หรือพูดอีกในหนึ่งก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธะพระธรรมรมเนี่ยนะแล้วก็วิญญาณภาษา เวทนาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจาร์ถ้ามีความรู้เท่านี้ก็เอาไปตรึกไปเพ่งนั้นก็สามารถเอาไปเจริญเอาไปปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ไม่มีที่สุดด้วยนนะแต่ที่เจริญไม่ได้ก็เพราะว่าพเพราะอะไรคุณผู้ชมก็ <itta> <itta> <itta> ว่าโดยรวมๆเราก็ไม่ไม่มีศรัทธาบริบูรณ์พอที่จะเชื่อว่าทางอันเนี้ยที่จะทำให้เราพ้นทุกเนี่ยนะเราคือถ้าคิดดูนะถ้าเรามีความเชื่อว่าอันนี้มีค่าแบบเงินเป็นทองปั๊บเนี่ยเราจะแกะทันทีเลยนะเกาะติดด้วยเลยถามว่าดูได้จากอะไรดูได้จากว่า ไอ้ของอันนั้นมันจะราคาเท่าไหร่จะซื้อจะขายปั๊บเนี่ยนะเราตื่นทันทีกันเลยนะกาลังหลับง่วงเงียงวงวเงียอยู่เนี่ยพอบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องได้เสียปั๊บเนี่ยตื่นทันทีเลยแล้วก็หลับต่อได้คือสิ่งเหล่านี้ถ้าถ้ามองว่าเป็นทางทางที่จะออกจากวัฏทุกข์จริงๆเนี่ยนะเราสามารถเอาไปตรึกไปคิดอย่างตื่นตัวอย่างเต็มที่เลยเพราะคิดว่าจังหวะนี่แหละที่จะช่วยให้เราพ้นทุกนะตัวอีกครั้งหนึ่งว่าถ้า สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปตรึกน้อยเนี่ยนะจะเห็นทั้งทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์น้อยตัวขันห้าที่ที่เราพูดตั้งแต่ตอนแรกว่าขันห้าเป็นไปกับอะไรชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตขันที่เป็นไปกับชาติชราพยาธิมรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาต ถ้ามีการจำแนกแจกแจงไปแล้วก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกจักวิญญาณภาษะเวทนาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารที่เกิดตามทาวารต่างๆเนี่ย น, นะที่ไหลสืบเนื่องายในทาวารต่างๆทีนี้ที่เกิดตามต่างๆก็แยกแยะโดยความเป็นเหตุกับเป็นผลใช่ไหม บางอย่างก็ในฐานะเป็นปัจจัยบางอย่างก็ฐานะผลของปัจจัยทีนี้การพิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางธรรมถือว่าการสามเนี่ยสำคัญมาก อ, นนอดีตอนาคตและปัจจุบันใช่ถ้าหากว่าเราไม่เอาการสา ม, มาจับเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะไม่น่ากลัวอะไรเลยมันมันไม่ได้เป็นทุกข์เป็นโทษไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วย ฉันอย่าลืมว่าผู้ที่จเจริญวิปัสนาโบราณเลยนะสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่เนี่ยจะละลึกชาติได้ใช่ปุเพนิวาสานุสติยานเขาจะมีปุเพนิวาสานุสติยานซึ่งปุเพนิวาสานุสติยานนั้นเป็นเหตุใกล้ของกรรมมัสกตายาณที่เรียกว่าเป็นเหตุใกล้ของญานนณทัศนเนี่ยนะคือกรรมมัสกตายานเสร็จแล้วผู้ที่ มียานอย่างอีกอย่างหนึ่งะนะที่สําคัญต่อการบรรลุคือจุโตปปตาตยานก็คือกรรมสกตา่นั่นเองนันนน่ก็จะความรู้ถ้ารู้ปุเพนิวาสานุสตยานดีกรรมสกตายานดีก็จะมองเห็นเหตุเห็นผลในะนะั่นพวกนี้เขาจึงเรียกว่าสังสาระจักใช่ไหมจะเห็นโดยความเป็นสังสาระจักกะ คือหมุ น, อ, นนะอ่ะนะสังสาระคืออะไรคือลำดับแผงขันธาตุอายตนะอ่ะ น, นะที่ไหลสืบเนื่องไอ้ไลเนี่ยคือจากอ่ะ น, นะสังสาระจกักถ้ามีอีกคํานึงก็คือวัตตาอีกคำหนึ่ ง, ก, ะะ ก, งก็ขยายเป็นกรรมวัตวิปากวัตและกิเลสวัตเนี่ยนะก็ไหลสืบเนื่องกันไปโดยความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งถ้าแยกออกมาก็คือ ทวานหกซึ่งาการไหลไปในวัตตะอย่างนี้ไม่มีใครหยุดได้หยุดชะลอได้ไหมขอค้างดาวสักห้าสิบปีนี่ได้ไหมมาค่ว่าเช่นสมมติเราอายุห้าสิบแล้วนะทำให้มันค้างเติงเอาห้าสิบสักห้าสิบปีเนี่ยทำได้ไหมหยุดเนี่ยนะให้มันอยู่สภาวะแค่นี้แหละ มีใครทําได้มั่งเพราะฉะนั้นทําไม่ได้นั่นแหละจึงเรียกว่าจักเนี่ยนะเป็นสังสาระที่ที่ลึกไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะไหลไปอย่างนี้เรื่อยไม่มีใครมีอํานาจที่จะหยุดได้อย่างแท้จริงหยุดแค่เห็นได้ไหมไม่ได้หยุดแค่ได้ยินก็ไม่มีใครหยุดได้เพราะเหตุผลเหล่านี้มันเป็นไปสืบเนื่องกันนะแม้กระทั่งดูอยู่แบบแค่ว่าหยุดดูตาค้างให้ตลอดเลยนะถามว่า ตามันหยุดด้วยไหมชรามอรณะไม่ได้หยุดด้วยหรอกถ้าหยุดนี่แย่เลยนะคุณชู ถ, ถ้าถ้าสมมติท่านเลือดมันหยุดวิ่งเลยนะเลือดหยุดไหลเวียนะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นสมองสมองไม่ไม่ได้รับเลือดไปเลี้ยงกินนาทีตามที่เยสุดาเสียหายจําไม่ได้คุณตุ๊จิน ไม่เกินได้ไหมเขาก็เลิกปั๊มนะก็หมดสภาพแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าเลือดมันเลิกไปเลี้ยงสมองประมาณสิบนาทีก็เรียกว่าเลิกจำอะไรหมดแล้วนะไม่ต้องจำลูกจำหลานแล้วต่อไปหมดความสามารถแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหยุดได้จริงๆนะ เย้เห yeah, มือนกันนะอวิทาผู้ที่อย่างพื้นฐานเนี่ยนะเอาธรรมะทั้ง60มาพิจารณาโดยทั้งปัจจัยและ ปัจจยบันที่าจรณาทั้งเหตุทั้งผลอันนี้ก็ถือว่ายาตะปริญญาเนี่ยบริบูรณ์นะถือว่ายาตะปริญญานี่บริบูรณ์ถ้าเอาพวกเนียมาคิดในเรื่องตามสูตรตั้งแต่แรกเลยที่พระองค์แสดงให้เห็นครั้งแรกชัดๆเลยนะว่ า, าทุกขาริยศัตร์เป็นไงชาติพิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุก ความตายก็เป็นทุกข์โสกกาปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาตก็เป็นทุกข์พระพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์เนี่ยนะโดยย่อขันท่าคือตัวทุกข์ทั้นถ้าเอาสิ่งนี้ไปใคร่ครวญไปคิดบริบูรณ์จริงๆก็คืออะไรตีรณะปิญญาเนี่ยนะ ถ้าไปคิดบริบูรณ์ได้ดีจริงๆะนะคิดตามนั้นแหละซึ่งถ้าถ้าคิดให้ดีๆนะมันมีข้อปฏิบัติอยู่ในตัวหมดแล้วล่ะเนี่ย น, นะถ้าเอาขันห่าไปเห็นโดยชาติชรา ม, มรณะโศกะปริเทวทุกโทมนัตอุปายาตคิดแบบนี้มากๆนั่นแหละเรียกว่าตีระปริญญาไอ้ตีระปริญญา40หรือ42เนี่ยนะที่ที่เราเห็นเห็นเนี่ย มีพน้นอันไหมมีไหมชาติชารามรณะก็คือชาติชารามรณะและเพิ่มพยาธิด้วยซ้ำเนไหมโสกะปริเทวะทุกโทโมนัสอุปายาตนะก็เพิ่มอีกสังกิเลศิกะธรรมโตบ้างสาสวะโตบ้งางนะก็เพิ่มเพิ่มแต่ว่าโดยรวมๆก็คือชาติชารามรณะถ้าแสดงชาติชารามรณะเนี่ยนะอันนี้จังทุกขังก็เท่ากับแสดงแล้วใช่ไหม ตรงตัวนะท่านก็ว่ารวมๆอนิจจังก็แสดงแล้วทุกขังก็แสดงแล้วแล้วใครมีอำนาจบอกว่าไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์ขอให้มันเป็นความสุขก็ไม่มีผู้ใดมีอำนาจอย่างแท้จริงในในสิ่งนี้ก็คือความเป็นอนัตตาอยู่โดยธรรมชาติานั่นแหละถ้าหากว่าเกิดการ ตามเห็นแบบนี้มากๆตามเห็นโดยตีรณะปริญญาเนี่ยนะยาตะเอ่อยาตะปริญญาที่เป็นปัจจัยอย่างดีของตีรณะปริญญาทีนี้เมื่อตีรณะปริญญาทมจนชำนาญจริงๆว่าตามเห็นขันเหล่านั้นนั่ น, น, นแหละโดยนะเช่นเรื่องความไม่เที่ยงหรือเรื่องความตายเนี่ยนะไม่เที่ยงก็คือตายก็อันเดียวกันถามว่าถ้าอบรมอย่างนี้บ่อยๆ อ, ยอนุสสนาไหนจบริบูรณ นเถ้าเห็นบ่อยๆอย่างนี้อันนีอนิจจานุปัสสนาจะบริบูรณ์ถ้าตามเห็นบ่อยๆนั่นแหละเรียกว่าอา น, นิจจานุปัสสนาเนี่ยนะถ้าอันนะตามเห็นว่าตัวนี้แหละคือตัวชราพยาธิตัวโสกอันนะเป็นที่ตั้งแห่งโสกกะปริเทวะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และโทมานัตเนี่ยนะถ้าตามเห็นอย่างนี้บ่อยๆอะไรบริบูรณ์ ทุกขานุปัสนาจะาบริบูรณ์ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครมีอํานาจไหนว่าขอไอ้ที่เกิดแล้วก็อย่าแก่ที่แก่แล้วก็อย่าเจ็บอย่าป่วยที่ป่วยแล้วก็อย่าตายที่ตายแล้วก็อย่าเกิดอีกไงนีไม่มีใครมีอํานาจใช่ไหมเริ่มเห็นชัดว่าขันห้าเหล่านี้ไม่มีผู้ใดมีอํานาจอย่างแท้จริงนั่นแหละเรียกว่าอนัตตาผู้ที่จะเออตามเห็นขันเหล่านี้โดยความเป็น อนัตตาซึ่งไม่มีผู้ใดมีอำนาจอย่างแท้จริงก็อนัตตานุปัสสนาก็จะบริบูรณ์ถ้าอบรมอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเป็นอัธยาศัยเลยถามว่าจะตามเพลดิดเพลินในสิ่งนี้ไหม น, นะคิดไหมว่าหยั่งลงไปอดีนะอายตนะภายในก็เยี่ยมอายตนะภายนอกก็แจ๋วการเห็นก็ประเสริฐเป็นต้นเนี่ยนะจะไปถือไหม ถือสำคัญในสิ่งเหล่านี้โดยโดยเป็นของที่น่าเพลิดเพลินไม่เห็นอันนี้แหละนิพพานุปัสสนาก็บริบูรเนีย่ยนะถ้านิพพานุปัสสนาบริบูร์ก็ไม่น่ามีปัญหาว่าจะปฏิบัติผิดแล้วขอให้เบื่อในธรรมะทั้งทั้งหกนี้จริงๆเถอะเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอย่างแน่แท้อ้นะ <c oughs> ทีนี้ถ้า ถ้าเราละเลึกแบบนี้บ่อยๆนะจะเห็นชัดในนิโรธสัจจะหน้า13บสาอ่ะนะว่าก็ทุกนิโรธอริยศัสตร์เป็นไนะความดับด้วยสา ม, มารถสำรอกโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณ ห, นะหานั้นนะก็ตัณหานั้นเนี่ยนะเมื่อบุคคลจะละละที่ไหน เมื่อจะดับย่อมดับที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตันหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นเ น, น, นถามว่าจะละตันหา น, นี่ละที่ไหนก็ละที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจยก็ละที่ธรรมะอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6กภาษา6เวทนา 6, สัญญาหนหอะไร สัญญาหกเจตนาหกตัณหาหวิตก6วิจารหกเนี่ยนะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะโลกียธรรมก็ถือว่าได้กล่าวหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะละตัณหาก็ละที่นี่แหละนะละด้วยอะไรก็ละด้วยปหาณปริญญาตัวที่ละจริงๆอ่ะนะตัวที่ละสิ่งเหล่านี้ได้เด็ดขาดคือตัว ปหาณาปริญญาปหานะปริญญานี้เท่ากับอริยมรรคตัวปหานะปริญญาก็คืออริยมรรคพ่านถ้าเข้าใจว่าพวกนี้เป็นวัตถุคือเป็นอารมณ์ของการทำยาตะปริญญาเป็นวัตถุของการทำเตรณะปริญญาแล้วตั้งอยู่ในเตรณะปริญญาอบรมทําให้มากก็เป็น ตีระนาปริญญาชั้นสูงแต่ก็เป็นปหาณปริญญาแบบโลกิยะเนี่ยนะันถ้าเจริญได้อย่างเต็มที่ที่สุดก็จะเนี่ยก็จะปหาณาปริญญาเพราะนันถ้าจะละก็ละที่ที่สิ่งเหล่านี้นี่แหละก็ละที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันถ้าหากว่าละฉันทราค้าได้ก็ก็ดับตัณหาได้ ปกติปหานาะมีมีห้าประการใช่ไหมปธนามห้าก็คือหนึ่ง ตัดทางค่าประหารสองวิคขมพนะประหารสามสมุตเฉทประหารสี่ปฏิปัดสัตติประหารหา้านิสรณะประหารเนี่ยันตัดทางค่าประหารเนี่ยอ ม, มอะไร ยาตะปริญญาและตีรณะปริญญาสมุทเชษฐ์ประหารเป็นประหาะปริญญาวิคัมพนาประหารก็เป็นเป็นปัจจัยที่สำคัญของยาตะปริญญาหรือเป็นปัจจัยที่สำคัญของตีรณะปริญญาแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญของ ปหาณะปริญญาผลของปหาณะปริญญาก็คือเนี่ยปฏิปสัสสธิโดยที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นนะนิพพานก็คือตัวนิสรณะปหาญพันถ้าจะนิสรณะละได้อย่างเด็ดขาดก็ต่อเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์